ถึงจะพ้นตันหาได้ฉันทะมาก็ยังต้องเดินหน้าไปกับปัญญาจนกว่าจะพ้นปัญหาแท้จริงมีข้อความสำคัญที่ขอนำมาย้ำไว้เป็นข้อควรสังเกตและช่วยทบทวนสามประการคือหนึ่งเด็กชายสองคนคือเด็กชายตันหากับเด็กชายฉันทะ ไปเห็นเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและได้ฟังเสียงจากวิทยุนั้นด้วยกันเด็กชายตันหาได้ฟังเสียงจากวิทยุแล้วชอบใจเสียงไพเราะและเสียงแปลกๆเขาคิดว่าถ้าเขามีวิทยุไว้สักเครื่องคงจะสนุกสนานเพลิดเพลินมากเขาจะเปิดฟังทั้งวันทีเดียวแต่เขาทราบมาว่าคนที่มีวิทยุมีไม่มาก ใครมีก็โก้เก๋เขาคิดว่าถ้าเขามีวิทยุแล้วเขาจะเด่นมากเพื่อนๆจะพากันมารุมดูเขาเขาจะถือวิทยุเดินอย่างภาคภูมิใจไปไหนก็จะเอาไปด้วยจะเอาไปอวดคนโน้นคนนี้คิดอย่างนี้แล้วเด็กชายตันหาก็อยากได้วิทยุเป็นกำลังกลับถึงบ้านก็ไปรบเร้าคุณพ่อคุณแม่ให้ไปซื้อมาให้เขาเครื่องหนึ่งให้จงได้ เขาถึงกับคิดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้เขาจะไปด้อมที่ร้านถ้าได้ช่องก็จะขโมยมาสักเครื่องส่วนเด็กชาฉันทะได้ฟังเสียงจากวิทยุแล้วก็แปลกประหลาดใจเขาเริ่มคิดสงสัยว่าเสียงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเครื่องที่ให้เกิดเสียงนั้นคืออะไรมันทําให้เกิดเสียงได้อย่างไร เขาทำมันอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรจะเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างเขาคิดดังนั้นแล้วก็เกิดความอยากรู้เป็นอันมากจึงคอยสังเกตรหรือไปเที่ยวสอบถามว่าใครจะบอกเรื่องนี้แก่เขาได้ครั้นรู้จักช่างแล้วก็หาโอกาสเข้าไปซักถามได้ความรู้หลายอย่างตลอดจนรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างเด็กชายฉันทะ ครันเห็นว่ามันเป็นสิ่งมีประโยชน์ใจเขาทราบซึ้งในคุณค่าของมันบอกตัวเองว่าดีแน่แล้วก็เกิดความอยากจะทำวิทยุขึ้นมาบ้างขอให้ลองพิจารณาว่ากระแสะความคิดของเด็กสองคนนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมและวิถีชีวิตของเขาอย่างไรและผลที่กว้างไกลออกไปถึงคนที่เกี่ยวข้องตลอดจนสังคมและประเทศชาติจะเป็นอย่างไร ในกระบวนธา ร, รมแห่งความคิดและพฤติกรรมของเด็กทั้งสองนี้องค์ทมในตอนเริ่มต้นเหมือนกันคืออายตนะภายในคือหูบวกอารมณ์คือเสียงทำให้ได้ยินหรือโสตะวิญญาณเท่ากับการรับรู้เสียงหรือผัสสะแล้วเกิดเวทนาหมายถึงสุขเวทนา คือสบายหูแต่ต่อจากเวทนาแล้วกระบวนการทำแยกไปคนละอย่างเด็กชายตันหาเมื่อได้เวทนาเป็นสุขสบายหูแล้วก็ชอบใจติดใจอยากฟังต่อๆไปคือเกิดตันหาขึ้นเขาคิดเพ้อไปตามความอยากนั้นซึ่งล้วนเป็นอโยนิโสมนสิการเพราะไม่ได้คิดตามสภาวะและตามเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องวิทยุและเสียงวิทยุนั้นเลย มีแต่ความคิดสืบทอดจากตันหาคิดเกี่ยวกับการเสพเวทนาและการเสริมขยายตัวตนเมื่อคิดอย่างนั้นก็เป็นการหล่อเลี้ยงอวิชชาเอาไว้ทำให้ตันหาเพิ่มพลังแข็งแรงและขยายตัวขึ้นอีกพฤติกรรมของเขาก็จึงเป็นไปตามความมงการของตันหาส่วนเด็กชายฉันทะเมื่อกระบวนํารสืบต่อมาถึงเวทนาแล้ว เขาไม่ไหลเรื่อยต่อไปอย่างตันหาแต่เกิดมีความคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการขึ้นมาตัดหน้าตัญหาเสียทำให้ตัญหาชะงักดับไปโยนิโสมนสิการนั้นคือการคิดตามสภาวะและเหตุผลว่าอารมณ์หรือสิ่งที่ประสบนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรเป็นมาอย่างไรเป็นเพราะอะไรมีคุณโทษอย่างไรเป็นต้นความคิดนี้ นำไปสู่การรู้เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่ดีงามเกิดความซาบซึ้งมีจิตใจโน้มน้อมไปในทางที่จะรู้ความจริงและที่จะทำให้ดีให้งามให้สมบูรณ์จึงเกิดเป็นฉันทะขึ้นและนำเด็กชายฉันทะไปสู่การเรียนรู้และการกระทำสร้างสรรค์ต่อไปข้อควรสังเกตรประการที่สองฉันทะเป็นองค์ธรรมฝ่ายกุศลดีงามไร้โทษ เป็นคุณประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจแต่ฉันทะจะเป็นคุณประโยชน์ก่อให้เกิดผลดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงและคุณค่าของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเพราะฉันทะอาศัยโยนิโสมนัสิการซึ่งเป็นบุพภาคของปัญญาถ้าความรู้ความเข้าใจไม่ลึกซึ้งชัดเจนแน่แทะฉันทะก็อาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้เหมือนกันดังนั้น เพื่อให้ฉันทะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชักนำชีวิตไปสู่จุดหมายที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจการฝึกอบรมเจริญปัญญาหรือการให้การศึกษาระดับปัญญาจึงถือเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นที่สำคัญคือจะต้องฝึกโยนิโสมนสิการูร้จักคิดตามสภาวะและสืบค้นเหตุปัจจัยให้ก้าวหน้าไปในความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ความจริงแท้เป็นอย่างไรอะไรมีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิตอะไรเป็นอัตตะคือตัวประโยชน์แท้ที่ควรเป็นจุดหมายและก้าวหน้าไปในกุศลธรรมโดยเกิดความใฝ่รู้ใฝ่ทำรักความจริงรักความดีงามรักที่จะดำรงส่งเสริมคุณภาพชีวิตพร้อมกับทำกุศลธรรมเหล่านั้นให้เกิดให้มีเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นมีปัญญาที่ทำชีวิตจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้ข้อควรสังเกตรประการที่สในกรณีที่ฉันทะเป็นปัจจัยแก่ตัณหามันย่อมให้เกิดโทษได้แม้แก่คนดีแม้ว่าคนดีอาจจะไม่เอาตัวตนเข้าไปยึดถือครอบครองความดีที่สร้างขึ้นด้วยฉันทะจนถึงกับเกิดความเย่อหยิงลำพองยกตนข่มผู้อื่น หรือลุ่มหลงมัวเมาประมาทแต่บางทีความยึดถืออย่างอ่อนๆเช่น ว, ว่าทําไมบ้านเราวัดเราโรงเรียนเราตําบลบ้านเมืองของเราจึงไม่สะอาดเรียบร้อยเหมือนของเขาหรือว่าเด็กนี้นักเรียนนี้ลูกศิษย์นี้เราพยายามสั่งสอนอบรมนักหาทางช่วยแนะนําแก้ไขช่วยเหลือทุกอย่างทําไมเขาไม่ดีขึ้นมาเลย หรือว่าคนหมู่นี้เราพยายามช่วยให้พัฒนาตัวเองทุกอย่างทุกประการทําไมเขาไม่กระตือรือร้อนไม่ดีขึ้นมาทันอกทันใจเอาบ้างเลยดังนี้เป็นต้นก็ทําให้คนดีเป็นทุกข์เดือดร้อนได้ไม่น้อยและบางครั้งเมื่อเหตุปัจจัยของเรื่องนั้นๆอยู่นอกเหนืออํานาจบังคับบัญชาของคนดีก็ยิ่งเป็นเรื่องบีบคั้นใจให้คนดีเป็นทุกข์มากขึ้นทุกชนิดนี้ ดูเหมือนจะเป็นความทุกขพิเศษของคนดีที่คนทั่วจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยเลยจะเรียกว่าคนดีก็มีทุกข์แบบของคนดีก็ได้และเมื่อทุกแล้วก็เป็นโอกาสให้วงจรกิเลสเริ่มหมุนได้อีกโดยอาจเกิดความขุ่นมัวหม่นหมองน้อยใจขัดเคืองฟุ้งซ่านหุนหันเป็นต้นอาจให้ทําการบางอย่างผิดพลาด หรือขาดความสุขุมรอบคอบเกิดผลเสียได้โดยในยะนี้ความเป็นคนดีจึงยังไม่เพียงพอคนดียังต้องการสิ่งที่จะช่วยให้ทำความดีโดยไม่มีทุกข์และเป็นคนดีผู้ไม่เป็นที่แอบแฝงของความชั่วหรือไม่อาจกลับกลายเปลี่ยนไปเป็นคนไม่ดีได้อีกพูดง่ายๆว่าต้องการเครื่องป้องกันไม่ให้ปัญหาย้อนกลับเข้ามา ได้แก่ต้องการปัญญาที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นเป็นอิสระนี่คือจุดที่คนต้องการโลกุตรธรรมและควรให้ฉันทะทำหน้าที่นำชีวิตไปถึงจุดหมายขั้นนี้ด้วยหมายเหตุเชิงอัดคนที่มีฉันทะมากนั้นถ้าตัณหารวมทั้งมานณะและทิฏฐิเข้ามาแทรกซ้อนรับช่วงจากฉันทะ เข้าครอบงำจิตใจได้ก็อาจทำให้เกิดทุกข์หรือผลเสียหายที่ร้ายแรงได้มากเหมือนกันขอเสนอว้พิจารณาบ้างบางอย่างเช่นเพราะความรักในความดีงามความบริสุทธิ์แห่งชีวิตตัณหาอาจมาผู ก, ก็เป็นความรักความยึดมั่นในความดีของตนจนในแง่หนึ่งเป็นเหตุให้คนดีมีความมตกกังวลมากมายเกี่ยวกับการรักษาความดีงาม และความบริสุทธิ์แห่งชีวิตของตนหวั่นกลัวต่อเหตุมัวหมองต่างๆกลัวถูกคนเข้าใจผิดเป็นทุกข์ในเรื่องเช่นนี้มากมายกว่าคนทั่วไปข้อนี้น่าจะนำมาพิจารณาด้วยในการศึกษาสาเหตุของสิ่งที่จิตวิทยาตะวันตกเรียกว่า g u i l t feeling บางคนมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะสร้างสารร์สังคมให้ดีงาม หรือสถาปนาความดีงามขึ้นในสังคมแต่ก็ทำไม่ได้อย่างใจปรารถนาหรือประสบเหตุขัดขวางมากก็เกิดความขัดใจยึดมั่นในความเห็นของตนมากขึ้นดึงดันในทิฏฐิหรือเกิดความปรารถนาให้ตนได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างผู้สถาปนาสังคมใหม่ที่ดีงามนั้นจึงมุ่งที่จะทำให้ได้อย่างเดียวอาจหันไปใช้วิธีรุนแรง กำจัดกวาดล้างผู้ที่ตนเห็นว่าขัดขวางด้วยโทสะโดยไม่มีความรักหรือปรารถนาความดีงามแก่ชีวิตของคนเหล่านั้นเลยชั้นทะที่ครอบด้วยตัญหามานะทิฐิจึงอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าไวนิเลน์ได้เหมือนกันระบบงานระบบสังคมหรือระบบการดำเนินชีวิตที่มีการแข่งขันกันมากย่อมทาให้คนเกิดความรู้สึกนึกถึงตัวตนเ่นชัดมากขึ้น จึงเป็นระบบที่ส่งเสริมความยึดถือตัวตนและเป็นเหตุให้คนต้องพยายามทําการในทางที่จะสนองภาวะตันหามากยิ่งขึ้นระบบเช่นนี้ถ้าใช้ในสังคมที่คนมีพื้นในทางฉันทะมากก็จะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าด้านต่างๆอย่างรวดเร็วแต่พร้อมกันนั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาจิตใจมีความกดดันคนมีความทุกข์เครียดมีสเตรสมีแองส์ไซต์อติ เป็นโรคจิตกันมากแต่ถ้านำระบบเช่นนี้มาใช้ในสังคมที่คนหย่อนชันทะก็น่าจะทำให้มีความทุจริตความสับสนฟอนเฟะยิ่งขึ้นที่ว่าน่าจะก็เพราะจะต้องพิจารณาปัจจัยด้านอื่นๆประกอบด้วย